สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวินเนอร์99เรื่องแรกก็ตื่นเต้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่คุณคิงบอกว่ามีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของคุณคิงอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับถูกและดีไม่มีในโลก เออ บ, บางคนก็จะบอกเฮ้ยของถูกและดีมันมีนะแต่ลองฟังเรื่องของคุณคิงเรื่องนี้กันก่อนนะฮะไปยังไงครับเรื่องนี้คุณคิงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับที่เกิดในสมัยที่ผมยังยังเป็นช่างฝึกหัดอยู่อะครับแล้วเรายังเป็นลูกน้องเขาอย่างเงี้ยเวลาเรามีลูกพี่ที่เขาจะไปทํางานใช้งานทานําปฏิญหะเราก็ต้องไปอ่ะครับแล้วทีเนี้ยงานขอผมเป็นงานพวก ทำฟ้าเก็บภายในเขาจะมีทีมงานหรือแค่สามสี่คน<ถ>รวมครอบครัวลูกพี่เราเนี่ยก็ประมาณสักสองคนบ้างสามคนบ้างแล้วแต่ว่าเขาจะมีญาติมาอยู่ด้วยไหมถ้าไม่มีก็จะเป็นแค่เสงคนผมเมียแต่ที่แน่เลยทีมที่ไปลูกร้องคือสามคนผมกับเพื่อนผมจะเรียกผมเพื่อนผมว่าเอกรบียดแล้วกันเ บ้านหลังนี้นะครับอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นวันนั้นผมได้คุยกับอะไรอย่างนี้เจอแบงค์แจ็คแหะและเดี๋ยวก็ยังมีการบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมไปถาวายพระที่นั่นแล้วผมเจอผมจะพาไปอืออยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นแล้วผมไปอยู่กันนะพีแจ็คบึกภาพว่าบ้านไม้นะออืที่มีเรื้วรอบขอบชิดมีสองชั้นแล้วชั้นบนมีห้องนอนสามห้องนอนชั้นล่างมีห้องนอนสองห้องนอนเ ห, ห้องน้ําอยู่นอกตัวบ้านแต่เป็นแบบมีห้องอาบและห้องขับถ่ายอ่ะเป็นละห้อง หรูนะครับครับเป็นบ้านมาจากข้า ง, งเลยนะอ่าแปดร้อยบาทต่อราคาแปดร้อยบาทที่นึกข้าวบอกว่ามันถูกไหมอ่ะต่ออะไรต่อเดือนต่อวันต่อเดือนครับต่อเดือนบ้าแปดร้อยบาทห้องใครห้า <c oughs> ห้อง <c oughs> นอนเลยนะผมยังพูดกับเพื่อนผมเลยว่าเอาตัวนะเราคุยกันมาแต่เพื่อนบอก รู้ว่าแปดร้อยถ้าเปลี่ยนแล้วเขากลับมาจ้างพวกเราเป็นคนเพ้าบ้านให้อย่างดีกั้งหอีกออหลายยายด้วยเหมือนเขาแบบอยากจะให้มาอยู่ไปอย่างนั้นนะนะแต่ว่าเราก็เป็นคนสมัยก่อนคงลืมเล่านะออืแล้วความที่ดื่มเนี่ยึมื่อตกเย็นมาของเข้าปากแล้วไม่มีคําว่ากลัวหรอกอะไรก็จ้างครับถึงแล้วก็ทํางานกันแล้วก็ตําเย็นก็นอนอันนี้แหะในตัวบ้านก่อนผมจะบอกให้ฟังก็คือว่าชั้นล่างเนี่ยจะมีห้องนอนสองห้องออคือเข้าไปถึงปุ๊บประตูแล้ว เดินเดินแบบขยแรงด้านข้าง 9, 1, เ, นนเลยพี่ก้าวหนึ่งจะเจอบันไดเลยแต่ทางขวามือก้าวเดียวก้าขาไปก้าวเดียวเจอบั น, บนไดขึ้นด้านบนแล้วก็เดินลอดใต้บันไดนั้นไปก่อนถ้าไม่ขึ้นด้านบนนะเลี้ยวไปทางขวามือจะเจอห้องนอนหนึ่งห้องอแล้วเดินเป็นมุมในสุดของบ้านนะ่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือคือตรงข้ามกันออืเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องเพื่อนผมคนแรกให้ชื่อไว้เอนะหลอนลันจนผมเนี่ยขึ้นไปแต่ดีคือ ขึ้นไปดิฉันปุน๊บห้องที่ติดกระไดเนี่ยผมไม่เอาผมไมไ่เอาเลยผมไปเอาห้องกลางครจนระดีแล้วเอาห้องขั้นไปซึ่งติดตดินในบ้านสุดอฝั่งตรงข้ามห้องนอนของผมจะเป็นประตูที่เปิดออกไปแล้วมีชานระเบียงด้านนอกให้ยืนมองข้างนอกได้อะ่ะมองออกไปก็จะเห็นร้ า, านค้าซึ่งไม่ไกล ก, กันเดินแล้วก็าารประมาณท่นรับข้าวเข้มาที่สิบเก้าปรานั้นแหะซึ่งไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ เอในประมาณรัชอาทิตย์สองอาทิตย์แรกที่ผมอยู่ไม่มีอะไรเลยนะพี่แดนไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแค่นิดเดียวก็ uh huh. ยังมีความรู้สึกว่าเขาคงต้องการคนเฝ้าบ้านจริงๆแหละ uh huh. เขาถึงได้ตั้งราคาแค่เนี้ยอ uh huh. แต่พอหลังจากที่เพื่อนผมเริ่ม uh huh. ดืม่มเหล้ามากๆเข้าและเริ่มไม่รู้เรื่อง uh huh. เริ่มเอาก้นบุหรี่ไปจิ้นตามขอบประตูบ้านบ้างเริ่มอะไรแงเพราะว่า uh huh. ผมจะบดนมั้งไงว่า uh huh. มึงอยู่มึงเกรงใจบ้างส่วนรวมาเท่ า, าไห่เมืม่มาเนี่ย เขาเอาผิดเขาหมดแล้วเขามาันเอาบุญคนเดียวครับมันอาบุญเด็กจิ้นแบขอบน้าต่างบ้างอะไรเงี้ยทำมาหาคนช่วยเลยครับออืแล้วก็เริ่มมีสิ่งแปลกเกิดขึ้นครับเราทุกคนเริ่มได้ยินเหมือนกันหมดคือมีเสียงไอแห้งๆมาจากในบ้านเราเองเนี่ยออืซึ่งมันไม่เคยมีมา ก, ก่อนเป็นการเป็นคนไอแห้งเหมือนคนไอป่วยๆอ่ะพี่แจ๊ดครับนั่นก็คือช่วง แ, แรกที่เริ่มมีปฏิกิริยาจนอ๋อเราสักสามสี่วันหลังจากที่เริ่ม ไอ <PC. S 2> ้แห้งเนี้ยไอ้เอไอ้เอ็งก็วิ่งขึ้นมาชั้นบนผมถามว่าเป็นอะไรอ่ากูว่ากูไม่ค่อยอยากนอนเลยว่ะอผมวก็ถามว่ามีอะไรมันก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี้ยกูว่ากูไม่เมามากนะครับุณนั่งคุยกับมือเส็จเนี่ยทีนข้างเสร็จก็ยังตําน้ําปะแป้งนั่งเล่นอยู่เลยเนาะอกูไม่เมามากนะอ๋อใช่เมื่อคืนเนี่ยคุณนอนอยู่แล้วมีเสียงคนแก่มาไอ้ล่าห้องกูแล้วเคาะประตูห้องหกูรับ แล้เป็นักษณะของการบอกแล้วถามว่ามาทําอะไรที่นี่ออมาทําอะไรที่นี่ครับออกไปซะมาทําอะไรที่นี่แต่พูดดีๆแต่พูดทีหน้าห้องแล้วพูดทั้งคืนออื ม, มันก็บอกคืนนี้กูรู้สึกกูมไม่อยากนอนคนเดียวอะครับแล้วผมก็เลยว่าแล้วคืนก่อนนี้นะเพื่อนมีเสียงไอ้แห้งๆอ่ะมันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งกูตื่นมันก็ขังเด็มืนไออยู่ข้างๆห้องกูเลยมันไม่หนีขึ้นมานอนห้องข้างๆนี้เพราว่า มนบอกเปล่กูก anyway. ็นอนอยู่ห no. no. ้องกูข้างล่างแหะเพ่งมีเมื่อคืนนี้ที่กูเจอหลักแหละแต่เสียงไอ้ไอ้ได้ยินทุกคนแต่มันมีคนมาไออยู่ห้องข้างๆกูนะออืไม่มีกูไม่ได้ขึ้นมาออืผูก็ได้ถามไอ้บีไอ้บีก็บอกกูก็นอนห้องกูจะไปในห้องนั้นไอ้บียังคนคุยน้อยมากพูดน้อยมากอือ่ะหลังจากนั้นไอ้เอเข้ามานอนเลยคับผมอืออีกคืนหนึ่งก็คือมันก็รีบเก็บของเก็บไว้ขึ้นไปนอนกับผมซึ่งเป็นห้องกลางบรรดากาณนอนแยกแล้วมันตัว อเสียงไอ้ก็ดังขึ้นเรื่อยๆทุกวันจนบางครั้งแล้วผมนอนอนอยู่แล้วเหมือนเสียงก็ยินค่ง อ, องของ้างผมจะกิดเ อ, เองและชี้ให้มันดูมองหน้ากันแต่ไม่พูดนะพี่เหมันประมาณว่าไม่ได้ยินใช่ไหม<อ>มาจากห้องข้างๆไงใช่ไหมเหมือนประมาณว่าอย่างนั้นวันนี้เรขยักหน้าแล้วก็ต่างคนต่างนอนเราไม่กล้าพูดให้ลูกพี่ฟังเพราะว่าผมอยู่กันมาตั้งสองสามอาทิตย์แล้วแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพี่แดงแล้วถึงเล่าไปเขาก็ต้องบอกว่าโอ้ผู้มึงเมาจนเผลอแล้วกินกันมากเล่าเนี่ย พอกพยายามเบรคเดี okay, like P, career, ๋ยวก็แซวเดี <the saat> ๋ยวก็เบรคเรื่องงกัผู้ผุ๋มกันมาเยอะไงครพออีกคืนหนึ่งที่ทําให้เราทั้งสามคนตัดสินใจที่จะไม่อยู่อือย่างไรก็ต้องบอกลูกพี่ให้ได้ละคือมันเกิดเรื่องสบบที่ว่าผมอาบน้ําตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินนะฉันรีบขึ้นมานั่งข้างบนเลยผมจะมีกระเป๋าของผมใบหนึ่งไว้ฉีดส่วนไอเอก็บอกว่าคูขอใช้ร่วมด้วยเช้ามาก็ช่วยกันเอาไปทิ้งครับ ก็ไม <C> e ่ม <apostle> ีป <Spain> <K> ัญหาอะไรเพราะเรานอนอยู่ห้องเดียวกันไอดีก็เข้าห้องของมันตามปกติแต่คืนนั้นแหละหลังจากที่เสียงไอดังในจักพัดนึ่งนะพี่ผมนอนฟังอยู่ทุกครั้งเลยที่มีเสียงไอ้ดังนะผมจะตื่นและต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าผมจะหลับลงแต่แตการจัดการกับตัเองไม่ให้สนใจกับเสียงพวกนี้อยู่ดีเสียงไอดีมันตอบกลัอแล้วมันก็เดินมาที่หน้าห้องแลก็ตบประตูห้องผมแบบถูกเขาเฮ้ย ใครวะเว่งไน่อเว่งเวง่ยไออเร็วเร็วเร็วเววผมก็รู้คเด้งตัวแล้วเปิดประตูให้เยอะไงมันก็เข้ามาถึงแล้วมันก็ล้มตัวลงนอนเลยผมถามมีอะไรมีอะไรอ่ะแล้วมัเป็นอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนอนนอนแล้วก็ตื่นแล้วก็ตืน้วอือือืมอผมก็ล็อกประตูแล้วหัวเข้ากันนอนมึงทําังไงพวกกูใจเสียแล้วเนี่ยครับ มึงเป็นไรมึงทนเสียงไอ้ไม่ไหวหออืมอืมนอนเถอะนอแล้วมันก็หันหลังเลยนะพี่แจผมก็เองนอนอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วมันเข้ามาติดแล้วมันก็นอนดิ่มดิ่มกําแพงห้องริ่มมึนไปเลยแบบไม่ยุ่งกับผูเลยครับเข้ามาก็ถามมันว่ามึงเป็นอะไรวะเออถามอะไรเยอะอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้กูไปนอนด้วยกันแล้วกันกูมึงเคยบอกมึงเป็นอะไรมึงไม่ต้องถามได้ไหมอยู่ๆไปเถอะแล้วมันก็ตระหว่างผู้ผมเหมือนแบบคนนี้แหะ ก็ปล่อยให้มันผ่านไปจนทั้งวันแล้วจนนึกแบบตอนกิงข้าวมันนั่งมานเมอแล้วมันกัดใจบอกผมมาว่าหรือว่ากูจะเล่าให้พวกมึงฟังดีว่าว่ามันไม่น่าอยู่แล้วว่ะผมถามว่ามึงเธออะไรไอเอ๊ก็ตั้งไปฟังว่ามึงเธออะไรคือในขณะที่มีเฉลยทุกคืนแนหะมันไม่เคยสนใจเลยละเพราะมีคนไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรเลยพิเศษทุกกง ไอ้ยืนในบ้านเนี่ยมันเห็นมันได้เห็นมันดีหรือร้อนนะพ่ผมยังเดินห่างๆกันไอ้นี่คือไม่กลัวเดินเข้าไปใกล้มันมันจะหยิบจะจับตุวแกก็ได้นะภาษาคนแต่จังหวัดนะนะแต่วันนั้นมันบอกว่าเขเสียงไอมันดังขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันก็ถึงผ้าคุมโปงนอนอแล้วก็กะว่าเอาเท้าเนี่ยเลื่อนไปกดพัดลมให้แรงขึ้นจะได้หนาวๆที้หลับๆไปอย่างงี้มันก็เลื่อนพัดลมกดกดจนเบอร์สาปุ๊บแล้วมันก็ผมมฮาสักัด เสียงไอมันดังทีดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันเริ่มรู้ว่าเสียงไอนหะมาจากข้างหลังมันอแล้วก็มีมือเร้่มมาแตะที่เอวมาแล้วขย่าให้มันลุกซึ่งมันคิดว่าเป็นโยกผมคนใดคนหนึ่งมาแกล้งหรือเป็นในเอนมาเบียดเพราะเอจะเมาหนักทุกวันแล้วมันคิดว่าเอจะเข้ามาเบียดมันเพราะมันไม่เคยล็อกประตูเลยเวลานอนผมก็ไม่รู้มันไม่เคยล็อกประตูเลยนะออืแล้วมันก็บอกว่ามีมือมาแตะที่เอวมันเสซตปุ้ยแล้วขยับขยัา เขย่าขยวาแล้วไอดังขึ้นเรื่อยๆมันฟังจากเสียงไอแล้วไม่น่าเชื่อเพื่อนทั้งสองคนมันก็ลุกขึ้นค่อยๆลุกแล้วค่อยๆหันมามองเป็นคนแก่ครับเหมือนโลนนะหน้าตาแก่ๆฟันฟังเนี่ยก็มีอยู่พอประมาณปากมอหอแต่ว่าตาเนีไม่มีระโบกเข้าไปเลยสองครั้งไอไอแล้วก็มองหน้ามันมันก็กะตันเลยแล้วค่อยๆลุกลุกๆแล้วเดินมาไอ้นี่สติดีมากแล้วก็เดินมาเคาะเล็บผมแล้วก็ เข้ามาขอนอนด้วยอผมบอกมึงว่าอย่างนี้ยังน่าอยู่ต่อไปเมื่อวานผมก็เลยต้องคุยคุยกับพี่ที่เขาเป็นหัวหน้าผมมาพี่มันไม่ไหวแล้วเนี่ยผมผมเจอกันสามคนเลยมันอย่างเงี้ยเฮ้ยพมึงเคยเจอเราเรอยู่กันมาั้นานไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วโมโหพี่เช่าไปแล้วพี่จ่ายไปแลสามเดือนเพราะมันแค่แปดร้อเองแล้วมึงจะมาออกอย่างเงี้ยโหพี่ผมพวกมึงไปร้องเล่นกันหลอกสามคนเนี่ยแล้วด้วยดีมันก็บางคนไม่กลัวผีแตคราวนี้มันบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วออ่ืม ให้ผมนอนหน้าใช้งานนี้ก็ได้พี่ไม่ต้องให้ผมไปนอนไปเข้าบ้านหรอกจะบอกไม่ได้พี่ร้บปากแล้วกับคนผู้หล่อผู้ใหญ่แล้วว่าพี่เอาเองมาพี่จม้เองนอนแคมจะเข้าบ้านให้อยู่อย่างดีแล้วเอารู้มาเขดาพี่ตายเลย <S <S อโอ้ี่พผมยอมผมไม่บอกหรอกผมไม่บอกบ้านพวกก้ผมกัหรอกเน้ะผมขอ้องเแจคก็เลยพาพวกผมวนกับไปแล้วก็เอาเสื้ผ้าแล้จ็ค ก, ก, ก็ถามร้านทัผมตรงัดทา ง, ง้จะให้ของแคก็บอก ผมพยายามถามน้องๆมาแล้วว่ามันอยู่ได้เหรอมันนอนหลับเป็นยังไงบ้างทุกวันเลยผมก็บอกใช่พี่ถามแต่ผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นเรื่องรูนี้ไงคุณบอกพี่ถามตลอดแหละพวบ้านนั้นใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้อราคามันถูกเกินไปน้องไม่สังเกตเหรอฮะถูกมากผมก็บอกว่าผมอยู่สองอาทิตย์มันไม่มีอะไรสองอาทิตย์แรกใช่พี่บอกว่าน้องแข็งกันมากน้องมีสองอาทิตย์พี่ถามทุกวันเลยแต่น้องบอกไม่มีอะไรก็หลับสบายครับพี่เองคิดไม่ใจว่า ขอโทษไนะอ้ น, นี่มันกวนกวนประสาทตัววะมันตอบเหมือนไม่แ ย, ยแสไม่มีอะไรที่อยู่ไ ด, ได้สบายทำไมอ่ะครับคือประวัติเจของบ้านคนเก่าเขาห่วงบ้านแล้วเขาก็นอนป่วยตายข้างในนั่นแหละชัะ้นล่างห้องที่เ อ, เอมันนอนอ่ะอ๋อห้องนั้นเลยอ่ะใช่นอนในห้องนั้นเลยเออป่วยออตายในห้องเลยแต่ความที่ว่าคือผมคิดว่าพี่เ อ, เอมันรอดมาได้นะพี่เมือคนะืนน่ยน่าจะเป็นผลิตแอลกอฮอล์เมาหลับอย่างนั้นเลยแล้วเอเมื่อันผมเนี่ย คือมันเป็นกรนีที่ว่าท่านหลับเนี่ยแล้วเราแกล้งมันเนี่ยเราเราฉีดไว้ใต่แล้วผ่ามันจะไม่ตื่นเลยผมคิดว่าอย่างนี้นะผมว่าคือเขาพยายามจะจะทําอะไรบางอย่างแล้วแต่คงท้อเพราะว่าไม่ตื่นเออเออเใช่แล้วกันว่าไอ้วันที่เอมันผลไม่ได้นั้งหเราผมคิดกันว่าวันที่มันไม่เมามากแล้ววันนั้นผมก็ลุมด่ามันเพราะตอนทํางานมันอู้ไงผมบอกเนี้อว่ามึงกินเข้าไปอย่างงี้แหละตอนทํางานมึงก็มากินแรงพวกูครับ มึงพอเผาบ้างได้แล้ววันนั้นมันก็เลยเออเออเอแล้วก็ปะแป้งข้าวมา น, นั่งควยวุยกับผมเนะแล้วมันก็ไปนอนแต่หัววันวันนั้นมันเลยโดนคตัวอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้าของบ้านพี่จริงๆแล้วพี่ชายเขาไม่ถูกกันนะแต่หลังจากพี่ชายเขาตายเนี่ยเขาก็อาส า, ายอะไรจย้ายอะบ้านเนี่ยเขาต้องมาดูแลเองเขาจะออกมานั่งกินเหล้าที่นี่ทุกวันแล้วเขาจะคุยแล้วเขาไม่เคยกลัวอะไรผพีพี่ชายเขาว่าเป็นคนทําอะไรไม่แรกเป็นผีทํำอะไรได้ไง หลังจากพูดอย่างนี้ในอาทิตย์เดียวจะนอนป่วยตายก่อนตายไอดังลั่นเลยตายที่ไหนครับตายชั้นบนแล้วแต่ไม่รู้ห้องไหนเหมือนกันถองาว่ามีทั้งสห้องพี่ก็ไม่เลยเข้าไปดูหรอกผมมองหน้าไหดีนล้วกลัวห้องมึงอะไอเออเขาก็ว่าใช่เออเออน่าจะเป็นห้องเขาเพราะว่าใช่ผมอูนมาเขย่าตัวใช่ๆ ผมเลย้ว่ากลว้องมไ ง, งวิววิวาวชเหมือนกันแหละแต่าาพี่ว่าไงอะพี่ดียอย่างเนี้ยะอ๋อบอกว่าไงอะทไมอยากยู่ก็ย้ายแล้วมันจะไล่ทําเนขนาด น, า น, นี้ได้ไมไม่ทําเปเจ้าของบ้านเีขาไม่บอกเราเลยนะบอกผมพี่พี่ไปชอบบ้านที่ไหนใครเขาจะบอกาว่าโอ้บ้านผมมีผีเต็มเลยครับไม่มีทาง้งพวกคุณได้ชมองไม่มีทางไม่มีทางถูกถูกถูกเออโอ้เท่ากับว่าบ้านหลังนี้สองศพ ใช่ไม้มข้างล่างศพหึงที่เสีย<ช>ก็ข้างบน<ช>อีกศพหนึ่ตายในบ้านนั้นของศพเลยอยคือเดา ว, ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีคนมามามาอยู่แล้วก็อยู่กันไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครมาเช่าจากจากราคาประมาณนึงผมว่าเขาคงดับราคาลงมาลดลงมาแบบขูเวอร์มากอะเดือนละเดือนละแปดร้อยเอง เดือนะเดือนละแล้วนีเนะนะ่เดือละแล้วเดือนหึ่งมีทาวน์ 30, 800, บ้นแปดร้อยบานโอ้ไปไปไปเช่าอาพาร์ตเมนต์แบบถูกที่สุดมันยังไม่ได้เลยะเดือนละแปดร้อยแต่นี่บ้านทั้งหลังอะ่ะใช่ อ, อแต่เป็นบ้านไม้อย่างดีแนละสวยด้วย<ภ>ผมซื้นมากกว่าไปไม้ทุกวันแนละไม่มีอะไรเลยแต่มันเริ่มมันเริ่มมาเริ่มมนหนักหนาเข้า<ภ>ที่ผมเริ่มดีเ่เจอไอเดืก็คือต้องแต่เพื่อนผมเริ่มทำอะไรชุยๆอย่างเงี้ยครับ เราพูดกนตังโตมาดีไปเช่าบ้านเขาเหรอเวลามันกินกับแก้มข้างบนอย่างเงี้ยมันจะมันจะต้องมาม่าใหม่ครับไอพวกเศษกระดูกเศษอาหารที่ในถ้วยเดี่ยมันเปิดหน้าต่างมันก็ต่างลงมาเลยอมวเฮ้ยดูแลบ้านเ้าหน่อยเดี๋ยวเขามาเขาไม่อยากให้อยู่ออืมันก็ไม่สนใจอ่ะคือคําพูดของคนเป็นเพื่อนแหละก็แค่เพื่อนไงมันก็ยังทำมันเป็นปกติขอาบุหรี่ระดับตามขอบหน้าต่างบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอื ก็เลยเริ่มเจอเการณ์หนักขึ้นมานแต่อื้ไอ้ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นคนที่ไม่น่าจะเืออะไรแต่มันก็ยกังเจอหรือมันเป็นว่าปกติเนี่ยเขาพยายามสื่อไม่ให้เราอยู่อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาผู้ลงมือตึงกันเองเรย่องนี้ดังฮอร์อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันดูทําไม่ดีกับบ้านเขาคุณคิงเขาก็เลยอาจจะเอ้ยแค่มาสกิดบอกให้รู้ให้เฉยว่าเขายังอยู่นะยังอยู่ที่บ้านหลังนี้นะ แตเมื่อไหร่ที่เราพยายามทําอะไรที่มันไม่ดีอย่างที่คุณคิงเล่ามาเริ่มมีกินนู่นกินนั่นกินนี่ทําในสิ่งที่เจ้าของบ้านอาจจะไม่ชอบอันเนี้ยเขาพยายามที่จะมาบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบนะครับ <c oughs> เออให้ <c oughs> ไม่พีต้องไองเห็นข้าวอดียมันทาทายคือไอ ไอ้แล้วเอามือปิดปากแล้วเหมือนคนคนแก่อแล้วพยายามจะพูดอแต่พูดไม่ได้แล้วก็ไออยู่ น, นัแหละแต่พูดแล้วพูดแล้ไออยู่นั่นแหละมือนอึงก็ทําท่าจีจะพูดแล้วก็สะปิดเบลวันอีกมือหนึ่งก็กํำมัดขึ้นมาลองปากไว้อ่ะเห<อ>มือนคนไปแล้วจะพูด<อ>แต่พูดไม่ได้อ่ะแล้วตาก็ลึกโบเข้าไปเ้าถหมหลวงรุ่งผมว่า<อ>โอ้ถ้ากูเป็นมึงแนะกูกูไม่แค่เดินลงมาเอ้ยเขามีสติมากนะคุณกิงผมยอมรับเยอมรับเลยมีสติมากขนาดมาเคาะประตูเป็นผมนะ เอาจริงๆผมช็อกตายตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยฮา่าฮาราคิรีตัวเองตายก่อนเจอลักษณะแบบนั้นน่ะเอาจริงๆโอ้แต่ น, นี้เขามีสติแบบเปิดประตูหน่อยแล้วก็มาล้มตัวลงนอนไม่พูดไม่เล่าให้ใครฟังด้วย <c oughs> โอ้ถูกและดีหน้ามันได้เลยันเออถูกและดีไม่มีในโลกในความหมายเนี้ยผมว่ามันมันก็มันก็พูดยากเนาะ นะครับบางคน <Yeah. S 1> ก็จะบอกว่าเฮ้ยถูกและดีมันก็มีแต่ทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังทั้งหมดอ่ะมันต้องดูที่ที่คุณภาพที่ประวัติความเป็นมาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามันถูกจนจนแบบถูกเวอร์ถูกแบบผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับที่คุณคิงเล่าเรื่องกับบ้านหลังเนี้ยอันเนี้ยแน่นอนว่ามันถูกผิดปกติมันผิดวิสัยเลยมันมันมันไม่มีทางเป็นไปได้ราคานี้ไม่มีในโลก มันเกินป้ายละแปดร้อยบาทผมก็ยังคิดเป็นอยู่เลยก็คือไม่ในสมัยนั้นแปดร้อยมันคือไม่ใช่แบบยุคแบบแหม่สองปีก็กล้าถ้าแปดร้อยบาทมันจะมีราคามากอะไรอย่างนก็ไม่มีขนาดนั้นอันนี้ประมาณสักหปีตั้งแต่ผมอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าอ๋ออ๋อผมว่ามันก็งห้าเงินมันก็ไม่ได้แบบอู้ขนาดนั้นนาอย่างที่คุณคิงบอกอ่ะ ใช่嘛 ม, มันก็แบบโอ้โ800 <ช>ไม่ใช่ในสมัยอดีตที่บอกโอ้โ800เงินมันเยอะมากแต่ถ้าย้อนกลับไปแค่ช่วงระยะเวลาแค่สิบกว่าปีมันไม่น่าจะเอออันนี้ถูกจริงถูกครับถือว่าถูก800ถ้าเทียบกันผมว่าน่าจะได้เป็นห้องเช่าเล็กๆเป็นไม้ๆอย่างนั้นอ่ะโอเค800บาทใช่ใช่ไหม เ, เ, เ, เอออันนี้นบ้า น, บ, านบ้านทั้งหลังห้าห้องนอนอาจจะบ้าเหรอ ครับ <c oughs> เป็นไม้สักด้วยนะ <c oughs> ออนะฮะก็ท <c oughs> ั้งหมดเลยมันอยู่ที่ที่ที่ดวงคุณผู้ฟังนะครับต่อให้เช่าบ้านหลังละเดือนละเดือนละแสนถ้ามันจะเจอมันก็เจอแต่หลังนี้ผมนอนผมไม่เจออะไรนะพ <c oughs> ี่แจะได้ยินแต่เสียงไอแล้วก็อวมคิดเกิดตัวผมแล้วไม่ได้เข้าข้างเ <c oughs> ใครด้วยความที่ โอเคตอนนั้นเป็นสมัยที่ผมยังไม่เคยบวชแต่ผมจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือการไว้เจ้าที่ที่ผมทำํำในขณะาาที่เพื่อนผมสองคนไม่ทําการกาบหมอนกับผ้าก่อนนอนอะไรผมจะทำมาตัองหลยเรืผมก็เชื่อว่าส่วนนั้นที่ทําให้เราไม่โดนและพวกผมไม่โดนอยู่คนเดอยวทั้<อ>บ้านแต่เสียงไอนะมันเป็นเรื่องที่บันหลีกเรื่องไม่ได้เพราะไอแล้วมันได้ยินกันทั้งหมดเอาจริงๆนะถ้าบอกว่าไม่เจ อ, ก, อก็พูดได้ไม่เต็มปากคือแค่ไออ่ะ ตามความคิดของผมนั่นคือเจอแล้วนะเจอแล้วนะ <c oughs> คือไอะไอโดยที่ไม่ใช่สมาชิกที่มีชีวิตอยู่ในบ้านไอ่ะอันนั้นผมว่าเจอแล้วนะแต่ไม่ได้เจอออกมา เ, เป็นตัวเป็นตนอย่างที่เพื่อนเจอเท่านั้นเองคือคือการไอเนี่ย เราจะฟังออกว่าเป็นเสี่ยงคนของเราไหมเพื่อนเราไหมเราจะรู้ไงใครไอยังไงใครไอนี่ไอบุหรี่ไอนี่ไอเจ็บคอไอนี่ไอไม่สบายแต่นี่คือมันไอเป็นอาการไอของคนแก่ที่ป่วยอ่ะไอแห้งๆใช่ไหมนั่นแหละที่ผมถึงบอกว่าเฮ้ยเจอเหอะอันนั้นอะเจอแล้วคุณขิงคุณขิงเจอแล้วแต่ไม่ได้เจอถึงขั้นที่เพื่อนเจอเท่านั้นเอง เออ <c oughs> นะฮะ <c oughs> โอ้สองเรื่องฟังเพลินสนุกเหมือนเดิมฮะคุณคิงครับนะฮะยังคงเป็นนักเล่าเรื่องที่ฟังแล้วมีฟิลลิ่งมีอารมณ์ตามเหมือนเดิมตามจังหวะที่คุณคิงเล่าเออ <c oughs> นะครับคุณคิงวันนี้ขอบคุณนะครับที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องทั้งสองเรื่องให้พวกเราชาว The Ghost Radio <c oughs> ได้ฟังกันนะคุณคิง ขอบคุณนกัครับคนี่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลามันขึ่งจะเบามาก็เลยขอได้นีกันบ้างเออนะครับก็สู้ๆกับงานไปก็แล้วกันเมื่อกี้เห็นพี่บัตรบอกว่าคุณคิงมีข่าวมาบอกบุญด้วยอ่างั้นขออนุญาตเลยนัครับได้เลยได้เลยได้เลยฮะงานบุญบอกเลยตอนนี้ผมปั้นพระเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมอะประกาศนะเฟซกับเฟซเป็นเฟซใหม่ซึ่งมีเพื่อนร้อยมากครับผมต้องการ คนร่วมบุญในการที่จะเป็นค่าขนส่งไปที่จังหวัดขอนแก่นเป็นสำนักส่งที่หาหาโดยคุณหนุ่มนครแวนนะครับเป็ น, นเพื่อนผมเฟสเนะี่ลองไปดูนะตัวตนใน เ, เฟสที่จะมีแล้วก็คนที่หาให้เนะี่ยเป็นลูกพี่ของเขาแล้วไปคุยกับเจ้าคณะแน่ไม่ไแน่ใจเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล น, นะครับท่านเป็นคนหาให้ลง แล้วก็พระ อ, องค์เนี้ยพอผลไปแล้วเนี่ยจะเป็นพระประธานประจำำําสํานักสงนี้อืมซึ่งท่านกลัลยาณ์ถือว่าถ้าเอาไปแล้วเนี่ยวันหน้าถ้าพอกขาเป็นวัดกุ๊บจะมีการสร้างโบสถ์เนี่ยจะให้คําครอบพระ อ, องค์นี้เลยครับส่วนที่ผมมาบอกที่อย่างที่ทผมเคยบอกพี่แจ๊กว่าเสร็จแล้วผมจะบอกทุกครั้งผมบอกความไป็นส่วนตัวตลอดแต่มันจะมีการอัปเดตลูกให้ดูตลอดใน facebook ผมตลอดแล้วก็ที่หน้าเพจของผมก็จะมีแตลอนแต่หลังจากที่ผมผนไปเนี้ย ไม่เกินสาวันน่าจะเสร็จก็ประากาศได้เมื่อกี้ก็ยังบอกกับอะไรนะรเขาจะเข้าดูในห้องพี่แจ็คเนี่ยนี่เตอือนแจงแจกันน ะ, อะบอกเดี๋ยวเราเจอกันเราถวายพายิ้นัด้วยกั น, นละบุญด้วยกันพระาะเขนคนขัแก่นอ๋อโอเคโอเคนะฮะแล้วแล้วคุณคิงอยากจะให้เดอะโกสซิเดโอช่วยในในในยังไงให้ประสานกันยังไงหรือว่าให้กระจายข่าวยังไงแล้วคนที่ อ, อยากจะร่วมบุญต้องทํำยังไง ก็ทัชไปที่เฟซผมนะครับตอนนี้เฟซผมเป็นเฟซใหม่แล้วฮะชื่อว่านาคาลายสักไทยนะครับอเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยเลยครับจริงเฟซที่เป็นเฟซทางานส่วนตัวนะ<อ>แต่เอันนั้นมันโดนไปแล้วผมก็เลยต้องเอาอันเนี้ยครับอ่าชื่อว่านาคาเว้นวักไหมฮะหรือว่าติดกันหมดเลย เ, าาเว้นวักครับลายสักไทยนาคาเว้นวักลายสักไทยนะฮะครั บ, รบอ่า <ผม S 1> โอเคมีคนพิมพ์ไว้แล้วอันนี้คือเฟซบุ๊กของคุณคิง ใครที่อยากจะร่วมงานบุญนี้นะครับติดต่อไปที่ Facebook นี้ได้เลยโอเคยินดีฮะงานบุญงานบุญเราช่วยกันเราบอกกันแล้วก็อยากจะให้เดอะโค้ชเลดี้โอโพสลงแฟนเพจให้ก็ส่งข้อมูลให้พี่บัตได้เลยนะคุณคิงนะนะฮะถ้าเป็นงานบุญถ้าเป็นงานบุญอย่างเงี้ยเต็มที่เลยคุณคิงครับอันนี้มีการันตีแน่นอนครับเพราะว่า คนหนึ่งตอนแรกเนี่ยคนหนึ่งผมถามว่าคนหนึ่งผมตั้งใจจะไปทีวันวันหนึ่งแต่วันนี้มีปัญหาอืมคือวัดเนี้ยเขาโดนผู้ใหญ่บ้านปิดประตูแต่ผมไม่รู้กันว่าตำบลไหนเมืองไห น, น, ไหนโดยหาสาเหตุไม่ได้อก็เลยบอกคนหนึ่งช่วยหาที่ลงให้หน่อยคือคนทําบุญมาสร้างพาร์จนจะเสร็จอยู่แล้วแกก็บอกลูกนี่แกซึ่งเป็นคนท้องที่ที่นั่นอ ลุกพี่แกก็ไปหาให้แล้วก็บังเอิญได้ไปเจอกับเจ้าคณะท่านเนี้ยไม่แ่ใจว่าเป็นเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะอำเภอเนีท่านรองรับให้แล้วออกขายเองด้วยนได้ดีแล้วเป็นสำลักตรงโอ้นี่ฮะเนี่ยคือเราตั้งใจในการทําดีในการทําบุญไงผลสุดท้ายก็มี ค, คนช่วยเห็นไหมครับเออนะครับได้คุณคิงเดี๋ยวถ้าจะให้ทางเดอะโกสติโอกระจายข่าวให้ยังไงแจ้งมาทางพี่บัตได้เลยนะ ครับผมบขอบมากครับอาจารย์ยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณคิงมากมนะครับที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องทั้งสองเรื่องให้พวกเราได้ฟังการคุณคิงครับอาจารยดูแลพอให้ได้ขำๆกันตามสว่างเนาะอ้โ<ต>นะครับพอให้อดีนอเีนมันหลังนะครั บ, รบและที่สําคัญดูแลสุขภาพดูแลเรื่องเสียงด้วยนะคุณคิงนะเสียงแหบแล้วเช่นกนันจะเสียงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นไอ้นี่ไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีคนหนึงบอกให้ผมว่าผมไปเช็คบ้างแต่ว่า ผมว่าผมไม่จะเป็นแลเราะเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีผมก็บวชน่ะผมไม่รู้จะดูแลตัวเองไปทำไมก็เลยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นตลอดซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ป่วยแล้วผมสบายตัวเสียงมันกลายเป็นอย่างนี้เป็นแล้วเสียงมันแหบกลายเป็นเอกลักษณ์ไปซะละใช่อนะครับได้คุณคิงยังไงขอบพระคุณมากมนะคุณคิงนะครับเช่นกันครับดูแลรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับ